ทีนี้ต่อไปในจกักขสูตรนะครับข้อ239จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจักสุสมอย่างนี้สอย่างเป็นไฉนคือมังสะจักสุที่พระจักสุและปัญญาจักสุดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจักสุสมอย่างนี้แหลน ะ, ะนะตาสามมนะตาเนื้อตาทิพย์แล้วก็ตาปัญญาเหมือนัน่าน เนื้อทิพย์ปัญญาของกัน <c oughs> มังสะนี่แปลว่าตาเนื้อนะครับทิพจักสุก็ตาทิพย์ปัญญาจักสุก็ตาปัญญาดูความพิสูจน์ทั้งหลายจักสุสามอย่างนี้แหลพระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าบุรุษได้ตรัสจักสุสามอย่างนี้คือมังสะจักสุทิพจักสุและปัญญาจักสุอันยอดเยี่ยมความบังเกิดขึ้นแห่งมังสะจักสุเป็นทางแห่งทิพจักสุ เมื่อใดายานบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจากสุขอันยอดเยี่ยมนะครับตาเนื้อตาทิพย์แล้วก็ตาปัญญาที่เป็นโลกุตระนะครับตาเนี่ยแบ่งออกเป็นสามระดับชั้นนะครับเนี่ยนะเอาใหม่นะตาเนื้อตาทิพย์แล้วก็ตาที่เป็นมรคปัญญานะครับตาปัญญานั้นเป็นระดับมรคปัญญานะครับที่เป็นอันเดียวกับ สมัญตะจักโสหรอตาปัญญานี่นะครับมีเฉพาะตรงนี้เนี่ยกว้างขวางนะครับคือสมัญตะจักโสนั้นหมายถึงพุทธญาณอย่างเดียวนะครับแต่ตาตรงนี้หมายถึงตาที่มองเห็นอริยสัตว์นะครับสาวกอ ม, มีนะครับบทว่าจักขูนี้ความว่าชื่อว่าจาักโเพราะบอกอธิบายว่าเป็นเหมือนจะบอกทางที่ราบเรียบและไม่ราบเรียบนะครับบอกสูงบอกต่ำบอกดำบอกขาวบอกอเป็นต้นเนี่ยนะ ชื่อว่าจักสุเนี่ยนะครับอัตถาว่าชอบใจก็ได้นะครับชื่อว่าจักขูเนี่ยนะครับแปลว่าชอบก็ได้เหมือนเหมือนอย่างคนที่เขาบอกว่าชอบน้ําพึ่งหวานหรือว่าชอบกับข้าวนะอันนี้ก็เกี่ยกับเรื่องขยะแบบสับๆนะครับอีกอย่างหนึ่งอายตนะเหล่านี้เมื่อเสวยรสแห่งอารมณ์ย่อมเป็นเสมือนชอบใจอยู่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าจักสุเพราะอัตถาว่าชอบใจนะเหมือนกับว่าตานี่เหมือนชอบดูนะหูนี่ชอบฟังจมูกนี่ชอบชอบดมเป็นต้นเนี่ยนะ ทำไมจึงดูเหมือนชอบครับเพราะตัณหานี่ยแหละเป็นเหตุให้มีตาตาก็เลยชอบดูเลยนะตัณหาเป็นเหตุให้มีหูเหมือนหูเลยชอบฟังเลยนะครับตัณหาเป็นเหตุให้มีจมูกจมูกก็เลยชอบกลิ่นไปลักษณะนี้นะครับแต่จักษุเหล่านั้นโดยย่อมี2 อ, อย่างนะครับคือยาณจักษุและมังสะจักษุบรรดาจักษุสองอย่าง น, นั้นมังสะจักษุได้กล่าไวไว้แล้วนะครับมังสาจักษุนี่คือเรื่ อ, อตาต า, ตาเนื้อเนี่ยนะตาเนื้อก็ยังแบ่งออกเป็น2อย่างคือสัสมภาระจักษุกับ ปัสสาธาจักสูนะครับคือลูกตาทั้งลูกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ได้แก่จักขู ป, ประสาทอย่างเดียวทีนี้ส่วนในสูนียาณนะจักสูเนี่ยแยกไว้2นะครับที่จริงอะที่อื่นเนี่ยนะมี5ใช่ไหยครับยานจักสูมี5แต่เฉพาะตรงนี้นะครับเอายาณจักสูมาแค่2คือทิพยจักสูและปัญญาจักสูเพราะฉะนั้นพุทธะจักสูไม่เอามาธรรมะจักสุไม่เอามานะครับเอามาเฉพาะที่เรียกว่ายาณจักสูหรือปัญญาจักสูนั่นเองนะครับ ในบทเหล่านั้นบทว่าทิพจักขุนะครับคำว่าตาทิพนะจักสุชื่อว่าทิพเพราะเป็นเหมือนทิพอธิบายว่าถ้าจักสุของเทวดาทั้งหลายมาดูนะตาเทวดาเป็นยังไงว่าตาของเทวดาทั้งหลายที่เกิดแต่สุจริตกรรมไม่ถูกน้ําดีเสมหะและเลือดเป็นต้นไปปิดบังไม่ไปทําให้มันฟ้านะเป็นจักสุที่มีประสาทเป็นทิพสา ม, มารถรับอารมณ์แม้ไกลได้เพราะพ้นจากอุปกิเลส นะเพราะฉะนั้นตาตาของเทวดาเนี่ยรับอารมณ์ได้ไกลามากนะครับแม้กระทั่งเท้าสากาดเนี่ยอยู่ที่ดาวดืองก็มองเห็นในมนุษย์นะครับหรือว่าพรมทั้งหลายอยู่ที่พร ม, มโลกก็มองเห็น น, นะนะเพราะว่ามันเกิดจากสุดจริตกรรมเนี่ยไม่ถูกเสมหะเนี่ยไปผัวพันนะครับไม่ถูกเลือดเป็นต้นเนี่ยนะครับไปทำให้เสียหายทําให้มีตาปัญญาเนี่ยสูงเพราะว่า พร้นจากอุปกิเลสหมครับว่ามันไม่เศร้ามองนั่นเองนะครับไม่มีอะไรไปทําให้มันเศร้ามองนะครับออครั บ, รบพวกเครื่องเศร้ามองทั้งหลายนั่เนเองนะครับ<อ>ไม่มีครับพ้นจากสิ่งเศร้ามองเนี่ยนะไปทําให้ให้ตาเนี่ยเศร้าหมองพวกน้ําดีเซมหานี่นะครับแม้ยาณะจักรสุที่เกิดด้วยพลังแห่งการเจริญวิริยะก็เช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นทิพย์เพราะเป็นเหมือนทิพย์ ยาณจักรสูชื่อว่าเป็นทิพเพราะได้มาด้วยสา ม, มารถแห่งทิพพระวิหารเพราะทิพพวิหารธรรมของตนเพราะรุ่งโรจน์มากด้วยการกําหนดอาโลกะกสินและแม้เพราะมีการกระทําไปด้วยกว้างขวางโดยการเห็นรูปอยู่ในที่นอกกาแพงเป็นท้นทิพจักรสูทั้งหมดเพื่อทราบตามแนวแห่งสัทธศาสตร์นะครับคำว่าทิพจักรสูตรงนี้เนี่ยนะครับหมายเอาอภิญญาจิตนะครับหมายเอาอภินยาจิตนะ เป็นอภิญญาที่เป็นทิพย์นะครับที่เป็นไปกับเรื่องตาทิพย์นะครับหรือทิพประจักษสุขอภิญญานั่นเองนะครับส่วนธรรมชาติชื่อว่าปัญญาเพราะอัตวรู้ชัดถามว่ารู้ชัดอะไรคือรู้ชัดอริยาาสัจ4ี่โดยในเมียที่ว่านี้ทุกสมจริงดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบกรกล่าวไว้ว่าดูก่อนนบุโสธรรมชาติที่เรียกว่าปัญญาเพราะรู้ทั่วแลรู้ทั่วอะไรรู้ทั่ววันนี้ทุกนี้เห็นให้เกิดทุกนี้ ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขนะครับส่วนอัตกถาท่านกล่าวไว้ว่าชื่อว่าปัญญาด้วยสา ม, มารถแห่งการบัญญัตินะครับสั์ใช้ว่าปัญ ญ, ญัตใช่ไหมไม่น่าแปลว่าบัญญัตนะเนาะแปลว่าไหนะปรากฏใช่ไหมครับนะครับบาลีว่าไงนะครับปัญญาปะนะวะเสนะนะครับด้วยสา ม, มารถแห่งการปรากฏใช่ไหมครับ ครับแปลว่าประประกฏว่าไงครับปรากฏว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานะครับคือหมายถึงการเข้าไปพิจารณานั่น เ, เองนะครับหมายถึงปัญญาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก<ส><ข>็แลแปัญญานี้นั่นแลโดยลักษณะเป็นต้นมีการแทงตลอดตามความเป็นจริงเป็นลักษณะคือแทงตลอดความจริงทั้งหลายนี่นะครับนี่คือลักษณะของปัญญาหรือมีการแทงตลอดโดยไม่พลาดพลั้งเป็นลักษณะนะครับ คือถ้ารู้แล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนเสมือนการแทงทะลุของลูกศรที่นายขมังธนูผู้ฉลาดยิงออกไปมันแม่นยำขนาดนั้นนะ น, นะปัญญานี่ไม่มีความผิดพลาดมีการส่องให้เห็นอารมณ์เป็นกิจเหมือนดวงประทีปนะครับคือส่องให้เห็นว่าเออความจริงนี่เป็นยังไงนะครับเหมือนเหมือนแสงสว่างที่มันส่องให้เห็นนะนะมีการไม่หลงเป็นเครื่องปรากฏเหมือนมักคุเทศชันดีบอกทางแก่ผู้ไปในป่า คือไม่หลงทางเลยนะครับแต่โดยพิเศษแล้วในที่นี้ประสงค์เอาปัญญากล่าวคืออาสวัคยาญาณชื่อว่าปัญญาจักสุเพราะหมายความว่าเห็นสัตว์จะทั้ง4ไเนี่ยนะครับหมายเอาระดับมรรคนะครับซึ่งพระองค์ตรัสหมายเอาว่าจักสุได้เกิดขึ้นแล้วยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วนะ น, นี้ข้อความในธรรมจักรนะครับยกมาอ้าง เพราะฉะนั้นคําว่าปัญญาจักสุในที่นี้หมายถึงตาปัญญาที่เห็นอริยสัจทั้งสี่นั่นเองนะครับก็ถามาระดับไหนครับก็ระดับมรรคผลนั่นแหละครับครับอรหัตผลนั่นแหละครับยานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะนะที่จริงอาสวะนี่ก็เริ่มสิ้นไปตั้งแต่โดยลําดับไปแต่ว่าจะไปสิ้นบริบูรณ์จริงๆที่นายอรหัตมรนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาที่เป็นไปในมรนั่นแหละครับทีนี้ว่าโสดาปติมรก็สิ้นอาสวะบางอย่างเช่นสิ้นทิฏฐาสวะนะครับ ถ้าหากว่าสกาทาคามีมัก็ทํากามาสะวะให้เบาบางนะครับส่วนอนาคามิมะก็ทํากามาสะวะให้พินาศไปส่วนอรหัตตมะก็ทําอวิชชาสะวะนี้ให้หมดสิ้นไปนะครับแล้วก็ทําภวาสะวะเป็นต้นให้สิ้นไปอันหนึ่งบรรดาจากักรสูเหล่านั้นมังสจาจักรสูเนี่ยนะครับเป็นปริตะคือเป็นของเล็กน้อยนะครับตาเนื้อเนี่ยนะมังสจาจักรสูเนี่ยนะครับส่วนที่ประจักรสูเนี่ยเป็นของใหญ่ เป็นมหักตะนั่นเองนะครับส่วนจักสูนอกนี้เป็นหาประมาณไม่ได้เป็นอปประมาณะนะนะเพราะว่าเป็นปัญญาเป็นโลกุตระนะครับสรุปแล้วมังสะจักสูเป็นกามาวจรที่ปักสูเป็นรูปาวจรปัญญาจักสูเป็นโลกุตระนั่นเองนะครับ ที่ว่ามังสะจากสูเป็นของเล็กน้อยนี่หมายความว่าไง <S <S เป็นปริตตะใช่ไหมครับคือเป็นกา嘛นะเป็นกามาวจรนะครับว uh ่าปริตตะหมายถึงว uh ่าเป็นกามาวจรนะครับต uh ัวตัวตาเนื้อเนี่ยนะครับตัวมังสะเนี่ยนะครับมังสะจากสูเนี่ยเป็นกามาวจรนะครับคือไม่ใช่รูปาวจรไม่ใช่โลกุตระนะครับนั่นแหละเรียกว่ากามาวจรนะเนี่ย ส่วนมังสาจับสุเนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์โดยรูปนามเนี่ยนะมังสะจักสุเป็นรูปนะครับส่วนที่ประจับสุและปัญญาจักสุนี่เป็นนามคือเป็นอารมบนั่นเองนะครับสงฆ์ข้อโดยรูปนามะนะเมื่อกี้สงฆ์ข้อโดยปริตตะมหคตะอัปปมามะนะเนี่ยเรียกว่าสงฆ์ข้อโดยมาติการ์ตางๆตามนิยต์ต่างๆนะทั้งมังสะจักสุและที่ประจักสุเป็นโลกิยะหมายเขาว่ายังเป็นอารมณ์ของอาสวะ แล้วก็มังสะจักสูและที่ประจักษสูก็มีรูปเป็นอารมณ์มีสีเป็นอารมณ์เหมือนกันส่วนปัญญาจักสุเป็นโลกุตระนะครับไม่มีอาสวะคืออาสวะไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะมีสัจจสีเป็นอารมณ์นะครับคือแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่มังสะจักสุเป็นอัพยากฤิอย่างเดียวเพราะเป็นรูปเป็นรูปเป็นอัพยากตะนะครับทิพปจักษสุเป็นกุศลก็มีเช่นท่าของเป็นของพรภานาคามีลงมาเป็นกุศล ถ้าของพาหันเนี่ยนะครับตาทิพย์ของท่านเป็นอัพยากฤิตนะครับคือเป็นปัญจมชฌานกิริยานะครับส่วนปัญญาจักสุคือเป็นกุศลก็มีเป็นอัพยากตะก็มีปัญญาจักสุที่เป็นไปกับมรรคเป็นกุศลนะเป็นไปกับผลลจิตเป็นอัพยากตะนะครับมังสะจักสุเป็นกามาวจรที่ประจักษสุเป็นรูปาวจรส่วนปัญญาจักสุเป็นโลกุตระ นะครับนี้เขาเรียกว่าจำแนกโดยนัยะต่างๆนะครับจึงจะเรียกว่ารู้จริงนะครับเพราะว่าเวลาอธิบายต้องไม่ขัดกับหลักเหล่านี้นะครับคือคนที่อธิบายทำเนี่ยนะครับถ้าไม่เรียนอภิธรรมมาเนี่ยการอธิบายเปอร์เซนต์พลาดเนี่ยสูงมากพราะไม่เข้าใจหลักเหล่านี้<ส>หลักเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องอธิบายว่าต้องไม่ไ ม, ไม่เกินขอบเขตเหล่านี้นะนะครับ<ส>ทีนี้ในคาถาคาถาที่พระผู้มีพระภากทรงตรัสไว้ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าบุรุษได้ตรัสจากสุสาอย่างนี้คือมังสะจากสุหนึ่งที่พรจากสุหนึ่งปัญญาจากสุอันยอดเยี่ยมหนึ่งความบังเกิดขึ้นแห่งมังสะจากสุเป็นทางแห่งที่พจากสุเมื่อใด้ยานบังเกิดขึ้นแล้วเมื่อนั้นบุคคลย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะการได้เฉพาะซึ่งปัญญาจากสุอันยอดเยี่ยมนะครับนะพ้นจากวัตถทุกเพราะมีปัญญาจากสุนะครับ ด้วยว่าปัญญาจักรสูนี่ชื่อว่าอนุตรังเพราะเป็นอาสวะคยาย น, นะครับเพราะเป็นยานที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งหลายอคาสิปุริสุตโตความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดคือเลิศกว่าคนทั้งหลายได้ทรงแสดงไว้แล้วนะครับไม่มีใครเลิศกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับในบรรดาคนทั้งหลายความเป็นไปแห่งมังสะจักสูชื่อว่าอุปาทะอุบาย คือเหตุแห่งที่พระจักรสุชื่อว่ามักอธิบายว่าที่พจักรสุเกิดขึ้นแก่ผู้มีตาดีตามปกติเท่านั้นเพราะมีการเจริญอโลกสินแล้วเกิดที่พระจักรสุยานขึ้นและอะโลกสินนั้นไม่มีในมนทนแห่งกสินโดยเว้นจากอุกหานิมิดตดังนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องการเจริญกสินนะครับว่าถ้าหากว่าคนที่มีตาตาทิพย์เนี่ยนะครับจะต้องอาศัยการเจริญกสินนะ ทีนี้ถ้าเพราะฉะนั้นไอาการเจริญกสินเนี่ยถ้าคนตาบอดก็จะจำมาเอาอะไรมาเจริญกระสินนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตาทิพย์ได้ก็เพราะอาศัยการมีตาเนื้อเพื่อให้เจริญอโลกะกะสินเป็นต้นก่อนนั่นเองนะครับผมสงสัยตอนชาด้อาจารย์บอกว่าพอพูดถึงเรื่องสมถานเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของกุศลจิตใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างการเจริญกสินเนี่ยมันจะเป็นกุศลยงงอย่างไรยังนึกไม่ออก ก็เน้นไปที่ปาราลบถึงความสว่างแล้วก็ระงับนิวรณ์ได้นะครับคือในขณะที่เจริญเนี่ยนะครับจิตมันเป็นกุศลแล้วตื่นตัวคนที่สังเกตจะเจริญพวกสมถะทั้งหลายและเนี่ยนะครับเขาต้องเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นรู้จักแล้วว่ากุศลเนี่ยเป็นยังไงเป็นอย่างดีเวลาเข้าไปเจริญก็เป็นไปในร่องเดียวกันยกตัวอย่างนะครับบางคนเนี่ยเจริญผู้ทานุสติแล้วกุศลเจริญดีมาก นะครับกุศลจิตเกิดมากเวลาไปเจริญกสิณโดยที่มีกสิณเป็นอารมณ์นะกุศลต้องเป็นเหมือนกันกุศลจิตต้องเกิดลักษณะเดียวกันลักษณะนั้นนะนะเขาก็อาศัยอย่างอื่นมาเทียบเคียงว่าเป็นไปตามลักษณะเดียวกันพราหนิ้วอนเป็นต้นไม่กลุ้มหุมเลยถ้าหากว่าคิดว่าจะเจริญสมถะแล้วเกิดจิตไม่เป็นกุศลในเกาขนาดนั้นไม่เป็นสมถะนะก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลายเป็นเจริญอกุศลไปครับผมก็เป็นการเจริญอกุศลไปนะครับ เพราะว่ากุศล จ, จิตนั้นสมถะเนี่ยเน้นความเป็นกุศล จ, จ, จิตเท่านั้นนะครับเน้นความเป็นกุศล จ, จ, จิตไม่ให้เน้นไปที่อารมณ์นะครับหมายความว่าโอ้โหโลภะอยู่กับอารมณ์นั้นเป็นต้นแต่ถ้าเป็นไปตามนิมิตเหล่านี้นะครับจะไม่เกื้อกูลแก่โลภะหรอกครับถ้าโดยมากนะถ้าจเจริญถูกจริงๆเนี่ยนะครับโลภะไม่เกิดแล้วครับในอารมณ์นั้นน น, นะไม่ไม่ง่ายเหมือนกันที่โลภะจะเกิด เพราะว่าคนที่เจริญอย่างถูกต้องก็จะมีความสุขอยู่ในตัวนะครับจะไม่ทะเยอทถยานในอารมณ์ทั้งหลายเพราะว่าสมาธิเป็นปฏิบัติต่อการมาฉันทะอยู่แล้วนะครับนั้นก็ว่ากุศลก็คือสภาพที่โลภโทสะโมหะไม่เกิดไม่กลุ่มรุมนั่นเองไม่กลุ่ ม, ม<ๆ>รุมเรียกว่ามันระงับนิวรได้นะครับเช่นการมาฉันทะนิวรเนี่ยนะครับมันก็สิเนหา่วยหาไปในอารมณ์ทั้งหลายแล้วนะครับคนที่จิตสงบจะไม่ไม่ยินดีอะไรเหมือนกับคนอิ่มแล้วนะครับไม่นึกอยากกินอะไรเลย ครับคนที่อิ่มเต็มที่เลยครันคนที่มีสมาธิดีก็ลักษณะนั้นนะครับไม่หิวอะไรด้วยอำนาจโลภะเลยนะครับ <epsilon. S 1> เรานั่งท่องปฐวีปฐวีปฐวีอย่างเงี้ยหรือดินดินดินอย่างเงี้ยคือคนนั้นต้องพิจารณาโทษของตามก่อนนะครับคนที่จะมาเจริญเนี่ยไม่ใช่ฟังอย่างนี้ยแล้วไปเห็นอะไรก็เจริญไปเลยนะครับเขามีว่าบุปภาคคือเห็นโทษของตามก่อนเพราะคนที่จะเจริญสมาธิเนี่ยนะเหมือนกับคนที่จะรักษาศีลได้ดีเนี่ยนะคนนั้นต้องเห็นโทษของการ ทูศีลเป็นต้นแล้วก็เห็นอา น, นิสง์ของศีลเป็นต้นหรือคนที่เจริญเมตตานะยกตัวอย่างคนนั้นต้องเห็นโทษของโทสะว่าโทสานี่มันร้ายกาจมากนะครับเห็นคุณของขันติหรือเห็นคุณของเมตตาแล้วค่อยมาเจริญเมตตาไม่ใช่โหมาฟังแล้วเออให้มีความสุขนะเจริญไปเจริญมาก็โลภะไปตั้งนานก็ได้นะครับเมันก็ผิดกับคนสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติเพื่อจะเอ า, อาองไอส่งอะไรเอาคุณ ก็คือรู้ไม่ตลอดสายนะครับรู้แค่อ น, นิสงโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านี้โทษเป็นอย่างไรเมื่อไม่ถูกนะครับก็เลยบริหารไม่ถูกนะครับเพรา ะ, ะนั้นก็จนมีคําเน็บแนมมาว่าส ม, มะถะขี้โกรธนะครับสันโดษเลยกลายเป็นขี้คอเลยมีปัสนาหนักไปบ้ายอไปก็เป็นลักษณะ น, นั้นเพราะว่ามันมันเรียนไม่ตลอดสายนะครับการกระทําก็เลยผิดพลาดอย่างสังเกตดูนะครับจนเขาเป็นเรื่องลือนะีคนที่เจริญส ม, มะถะโดย ท, ทั่วไปนะจับขี้โกรธ นะครับเพราะอะไรครับเพราะตัวเองจะชอบสงบใครมากวนหน่อยก็ว้าขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นคนปากร้ายมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าขาดความเข้าใจในการเจริญสมรถะอย่างเต็มที่นะครับเนี่ยนะบทว่ายาังได้แก่อาสวัคคยย า, ยา น, นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปัญญาจากขูอนุตรังปัญญาจากสุเป็นจากสยอดเยี่ยมนะครับคือเลิศกว่าเพื่อนนะนะ บทว่ายาสะจักขุสะปฏิลาภาความว่าบุคคลย่อมพ้นคือหลุดพ้นจากวัตตะทั้งปวงได้ด้วยภาวนาเพราะปัญญาจักสุที่ประเสริฐใดเกิดขึ้นนะการหลุดพ้นจากวัตตก็อาศัยปัญญาจักสุนะครับนี่ก็จบจักขุสูตร